ตอนที่ยังเป็นเด็กๆพวกของคุณทนงเนี่ยไม่ประสีประษาหรอกครับว่ากาลละครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเป็นพญานกคุ้มนกคุ้มเป็นสัตว์มีปีกจัดอยู่ในกลุ่มนกระทาในวงไก่ฟ้าพรสวรรค์ของนกคุ้มก็คือบินเสียงดังซ่อนตัวสุกใบหญ้าแห้งเก่งต้องสายตาเยวจ่จริงๆถึงจะยิงด้วยสายตาได้ทัน เป็นนกที่ชอบเดินชอบวิ่งบนดินตามสมุมทุมพุ่มไม้เมื่อหนีภัยมันจะแหวกหญ้าแห้งแพลบเดียวไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้ามันตกใจมันจะบินเสียงดังบึง้งสมกับเป็นสัตว์ติดปีกคุณสมบัติพิเศษของนกคุ้มตามภาษาชาวบ้านให้ราคาที่เนื้อแน่นรสชาติอร่อยแต่ว่าปอดแหกแค่ยิงถูกขนฟุง้งมันก็นอนหงายกระพริบตาปริบริบตกอยู่ในกำมือพรานหนังสติ๊กเสียแล้ว เป็นนกที่ขนเปื่อยยุ่ยโดยไม่ต้องลวกน้ำร้อนก็ถอนขนทั้งเป็นได้เลยแต่ออกจะทรมานสัตว์มากไปหน่อยพวกเด็กยอมเกเรยอย่างพวกของคุณทนงคนองมือถือหนังสติก๊กไล่ล่านกคุ้มตามป่าละเมาะและพื้นที่เกษตรทั่วไปแต่มันชอบอยู่อาศัยตามป่าดงหญ้าสาบเสือปะบนดงหญ้าดอกขาวชาวบ้านคุณทนงเขาเรียกหญ้าสาบแห้งคือกลิ่นอีแรง ลูกกระสุนหนังสติ๊กทุกคนก็เตรียมกันตรงถุงย่ามสะพายจนไหลเอียงความสนุกกับการไล่ล่านกมันเพลินจนลืมคำว่าหนักบ่าและอาหารมื้อกลางวันเลยทีเดียวลืมแม้กระทั่งเช็ดเหงือ่อเปื้อนคราบใครที่อาจหน้าใครมือแม่นยิงได้นกกี่ตัวนั้นต่างหากคือรอยยิ้มใครได้หน้านาไปอวดพ่อแม่ที่บ้านก็หวังจะได้รับเสียงปรบมือว่าข้าคือคนเก่ง นอกจากล่าโดยหนังสติกแล้วชุมชนบ้านคนบ้านเดียวกับคุณธนงนี่ยังชอบดักนกคุ้มใตตาข่ายตาข่ายนิสานด้วยเส้นตอกค่อนข้างหยาบตรงกลางหักมุมโค้งด้วยเขา่าโปร่งนูนตรงกลางเหมือนกับมงคองดูไม่แตกต่างกับปุ้งกี่เท่าไหรนะ่นักสารหลังขนาดกว้างครึ่งศอกสามเหลี่ยมเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆก่อนจะวางตาข่ายต้องใส่ตาหารังนอนนอกคุ้มให้เจอก่อน ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยเห็นรังนอนนกคุ้มอาจจะคาดเดาว่าเป็นที่นอนปูรองด้วยพรมหญ้านุ่มๆแต่เปล่าครับนกคุ่มมันเป็นนกสมถะนอนกระดินกินกระส่ายตรงที่รังนอนของมันจะกระพือปีกปัดกวาดจนเนื้อเนื้อดินเกลี้ยงเกลาเป็นวงกลมกว้างประมาณหนึ่งคืบโดยรอบเห็นเด่นชัดมากสบอารมณ์กับที่หลับที่นอนของมันแล้วมันก็ออกหากินคําก็บินกลับรังตรงนี้แหละ แล้วก็ตรงนี้แหละที่พรานนกจะวางตาข่ายทําเป็นแล้วดักรอแต่ว่าใต้ตาข่ายต้องมีเหยื่อล่อตานิยมกันมากก็คือตัวปลวกอ่อนหรือว่ารวงข้าวมันจะหลงกลลอดเข้าไปกินเหยื่อตาข่ายก็จะลั่นไกตะครุบตัวมันว่า ย, ยากที่มันจะดิี่ยนรุดเพราะว่าสองมุมตาข่ายด้านหลังถูกไม้งามปักแนบติดดินส่วนมุมด้านบนตาข่ายมีก้อนหินกดทับไว้ปัญญานกเลยจะสู้ภูมิปัญญาคนได้ อ่าที่จริงก็คือกลน้องคนลวงนั่นเองจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายแล้วแต่โชคลาภของใครของมันคุณธนงได้ยินเสียงลือเล่าอ้างว่ามีเด็กตัวผอมๆตัวหนึ่งชื่อเล่นว่าเจ้าควงหรือไอควงเนี่ยจับนกได้มือเปล่าอ่าก็มีคําถามตามมาว่าทําได้ยังไงเขาก็เล่าบอกว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วเขาออกหารังนอนนกคุ้มตามป่าละเมาะนอกบ้าน เจอตรงไหนก็เอาไม้ปักเสียบกระดาษสีขาวเป็นเป้าสายตาตกกลางคืนก็ฉายไฟเดินย่องส่องตามจุดที่เสียบกระดาษขาวไว้จะเห็นนกคุ้มอกลายถึงปลายปีกนอนหมอบดิ้นขยุกขยิกตามันแพ้แสงไฟถดถดถอยถอ ย, ถอยวนอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เราต้องมีสมาธิใจเย็นไม่ส่งเสียงกระแอมไอหรือว่าเหยียบกิ่งไม้แห้งให้มันบินต ก, ตกใจบินหนี ก็จะสามารถรวบตัวมันได้อยู่ในมือคืนนึงก็สี่ห้าตัวไม่เคยพลาดไอ้ยกควงไม่อายที่จะเล่าว่าเมื่อเป็นเด็กเนี่ยไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษหรอกประกอบกับฐานะพ่อแม่ยากจนถูกชาวบ้านดูถูกดูแคลนเพราะว่าอยากจะลบคำสบประมาทก็มุ่งมั่นเรียนหนังสืออยากจะรับราชการอ่าว่างๆก็ออกหาปูปลากลางคืนส่องนกมาขาย ได้ตังมาแบ่งพ่อแม่ซื้อข้าวสุกข้าวสารประทังชีวิตไปวันวันส่วนหนึ่งก็ย่อนลงกระปุก อ, อมสินทั้งดินเผาทั้งกระบอกไม้ไผ่ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนจบสูงสูงให้ได้เห็นผองเพื่อนกินขนมปากเป็นมันอยากก็ต้องอดทนโตมาหน่อยก็รับจ้างทำนาถอนกล้าปักดำไม่เลือกงานเลือกการเวลานั่นคือนาทีทองของการได้มาเพื่อให้ได้เงิน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นไอ้เจ้าควงหรือว่าชื่อจักทองเนี่ยประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างน่าภาคภูมิใจเขาสอบบรรจุรับราชการเป็นครูแต่ระดับจากครูน้อยครูใหญ่ก้าวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหลายโรงเรียนณเวลานี้ผ อ, อจักทองเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเล่าความหลังว่าเพิ่งมานึกได้ตอนเป็นผ อ, อนี่เอง ว่าแกเอาชีวิตไปเสี่ยงยามค่ําคืนไม่เคยคํานึงถึงเรื่องงูงเงี้ยวเคี้ยวขออสรพิษต่างๆมุ่งแต่ตามหาสิ่งที่หวังก็คือขอให้ได้นกมาขายขอให้ได้ร่ําเรียนเขียนอ่านเพื่ออนาคตเมื่อมาทวนความหลังแล้วก็ชวนให้คิดถึงอกเขาอกเรายามพักผ่อนนอนหลับเป็นสุขเออไม่น่าเอาความทุกร้อนไปรังแกเขาเลยนกมันกําลังจะนอนทั้งคนและสัตว์ต่างก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้น ปัจจุบันพออจักทองเจ้าตำรับจับนกโดยมือเปล่าเห็นมีนกหลากหลายขายกันที่ไหนจะขอซื้อไถชีวิตปล่อยคืนอิสระสู่ธรรมชาติอย่างเสรีพร้อมก็ยกมือขึ้นไหวาสาธุขออย่าจองเวรซึ่งกันและกันเลยก่อนโนนตามีนหอมวัยห้าสิบขว่าจะทราบว่าไอ้ควงหลานตัวเองเก่งถึงขั้นจับนก้วยมือเปล่าก็เลยไปขอเรียนวิชา ซึ่งเขาก็ไม่ได้ห่วงเรื่องทํามาหากินยินดีถ่ายทอดให้ตะมีหมดเปลือกตามีพยายามอยู่สองทมวันสองคืนแรกตีหนักเหยียบไม้แห้งแรงไปหน่อยนกตกใจตื่นบินข้ามหัวตัวแล้วตัวเล่าย่างเข้าวันที่สามพลุกจับได้มาสองตัวเร่งรีบเข้าบ้านเอียงข้องอวดเมียนี่แหละผลงานนะหอมเห็นมันเต้นเหยิงเหยิงบินวนอยู่ในข้องก็ดีใจสุดขีดโอ้ยลาบทําลาบเลยมื้อเช้านี้เลย คนเราเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกท่านดูฟังคนหนึ่งเห็นนกคุ้มแล้วน้ําลายสออยากกินอีกคนเห็นแล้วยกมือไหว้ใจรักใคร่อินดูเชื่อว่านกคุ้มโพธิสัตว์คุ้มภัยตามตําราตํารามีว่าผู้ใดเลี้ยงดูนกคุ้มคู่หนึ่งไว้ในครัวเรือนผัวจะไม่มีเมียน้อยจะไม่นายจะอยู่เย้าเฝ้ากับเรือนเป็นเพื่อนตาย หัวเมียจะรักใคร่เกีียวกลมก้มหน้าก้มตาทำรรมาหากินจนร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนกคุ้มจะคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงไม่ให้บังเกิดประเสริฐขวาสัตว์ใดๆตามมีในแกกระยิมอยากจะพุยลาบมาตั้งแต่เช้าแล้วคำตอบก็คือกลืนน้ำลายเอื้อกเอื้อกลงคอลาบนกคุ้มเนี่ยคนทางเหนือต้องมีข้าวคั่วเป็นตัวช่วยนอกจากจะออกกลิ่นหอมแล้วยังเพิ่มปริมาณกินอิ่มได้หลายๆคน ไม่เหมือนทางภาคอื่นเล่ากันว่าลาบนกใส่ก้านกล้วยปนขี้เขียงเนี่ยเท็จจริงหรือเปล่าก็ไม่ขอยืนยันจะมีรับหน้าที่คั่วข้าวโคลกตำตลอดถึงปรุงเครื่องลาบประกอบด้วยเครื่องเทศพริกแห้งผิงไฟอ่อนๆข่าตะไคร้กระเทียมตามสูตรปู่ย่าตายายทำกันมานานแล้วนาหอมแม่ครัวประจำบ้านก็ชนานาญในการถอนขนนก ลนปลายไล่ขนอ่อนล้างชำละควักตับไยใส้พุงออกเลือกกุ่นกระตับเพียงสองอย่างเสร็จสับก็ล้างน้ำอีกทีต้มสุกก่อนที่จะนำมาสับลาบเสียงทียิบเอ๊ะที่ไอหอมก็อย่าให้มันถึงขั้นเป็นขุยมดงามนะเหลือกระดูกขบรุบรุบมั่งจะได้มันเคี้ยวเออข้าก็ว่ายอย่างนั้นแหละส่วนลูกสาวก็วิ่งเข้าสวนครัวเก็บผักกาดหอมป้อมหรือว่าผักชี ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะยอดกระถินยอดมะกอกกลิ่นหอมรสเปรี้ยวล้วนเครื่องแนมพูนเต็มถาดล้างน้ำมาสดสดพรายน้ำยังหยดติงติอยู่เลยแต่มีกระดกยาดองคล้องคอก่อนจะลากเสือไปปูกลางชานเรือนโล่งไว้รอท่าแดดอ่อนๆเพิ่งจะลามเรียมากับลมหนาวหัวปีนั่งรอนาหอมคนน้ำพริกปนข้าวคั่วนานจนกระทั่งลูกระเดือก ชักจะไหลลงมาในคอแล้วกลิ่นพริกลาบหอมลอยเข้าจมูกยั่วต่อมน้ำลายต้องลุกไปถองยาดองอีกสองสามกงกลับมานั่งรอบนเสือ่อย่างใจเย็นเสียงทัพพีสัมผัสถ้วยคนลาบดังเป็นจังหวะช้าบ้างเร็วบ้างนาหอมก็คุนพลางตักชิมพลางจนแน่ใจว่ารแสแซ่บเด็ดดีแล้วก็บรรจงตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเวลานั้นสองสามีภรรยาก็นึกถึงเจ้าหนูน้อยจากทอง ก็เลยตามไปขวักมือเรียกมาร่วมวงแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะว่าจะรีบไปโรงเรียนซึ่งตามมีณาหอมก็มองเห็นความสําคัญของเด็กในวัยเรียนมือนี้ไม่ทันมืออื่นก็ยังมีก็เลยสังสรรค์กันในครอบครัว3ามสี่แม่ลูกเสียงเคี้ยวผักนังกรบกรบรับเต็มปากกงอยา่าดองอ่าหนาหอมนี่ร่างเล็กเอวบางกระเพาะมดอิ่มเร็วกว่าลุกไปตักน้ํากิน ขณะมือถือคันกระบวยก็ศบตาเห็นลาบนกยังพูนอยู่ในถ้วยระเบิดเสียงหัวเราะอ่ะหัวเราะอะไรอะไรไม่รู้หัวเราะจนชักดิ้นชักงอจนน้ากระฉอดออกจากรลาอีกข้างหนึ่งก็กลุ้มทองเพราะหายใจไม่ทันไอหยางจันหอมเป็นบ้าไปแล้วหรือไงตามีชักลาคันอ่ะอพูดอะไรก็ไม่พูดเอาแต่หัวเราะเรืดเลอดอยู่นั่นแหละผีเข้าหรือไงนานเป็นนานกว่านะหอมจะเอียงถ้วยลาบให้ดู พี่พี่มีลาบนกยังอยู่ในถ้วยนี่ตํามีถึงจะคลายคําข้าวหลุดจากมือที่หลงกินข้าวคั่วปนพริกเจียวอิ่มจนพุงกลางตํามีไม่โทษว่าเมียสะพร้าวโทษตัวเองที่เมาจนไม่รู้รสลิ้นเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาไม่รู้จบทุกครั้งเมื่อได้ยินบ้านใครลาบนกคุ้มจะได้ยินเสียงกระซิบลอดทางวาบอกว่าอย่าลืมสูตรตํามีนะหอมเนอ สรุปโดยภาพรวมแล้วแม้อาจารย์จักทองจะพยายามสร้างงานให้คุณและโทษแก่ตัวและคนอื่นมามากต่อมาตามอายุขายไขวัย51ปีแต่ก็หนีไม่พ้นกรรมเก่าไปเป็นผู้บริหารงานหลายๆโรงเรียนมักจะถูกคณะครูหมู่เดียวกันขับไล่ไม่พอใจที่ตั้งกฎ ร, ระเบียบเคร่งครัดจนรับไม่ไหวประเดี๋ยวก็ถูกชาวบ้านเขาขับไล่สส่งไม่พอใจที่เคี่ยวเขียนลูกหลานเขาจนเด็กวดหวาดผวา หน้าที่ตำแหน่งใหญ่โตถึงป่านนี้แล้วยังมีชีวิตเหมือนนกเหมือนไก่อยู่ในคอนนอนรังไม่เป็นสุขทําให้เสื่อมศรัทธาร้ายสง่าราศีถูกเจ้านายเพ่งเลงย้ายออกนอกพื้นที่ครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากการบริหารราชการไม่เป็นไปตามหลักสากลเอาแต่ใจตัวเองเป็นพื้นยืนบนหลักเถรตรงเกินไปเรียนแบบสีถนนชัยในอดีตมาปกครององค์กรยุคหนังสือเรียนป้ากับปู่กู้อีจู้ เอามาใช้ในยุคสื่อสารกันทางลายมันก็เลยเป็นที่ขัดคอขัดใจคนในยุคใหม่ทุกวันนี้ทราบว่าพอ อ, อจักทองคนนี้ถูกตามล่าตามไล่ชดใช้กรรมเก่ายังไม่หมดแม้จะไม่กินนกกินปลาไถ่ชีวิตนกคุ้มและนกอื่นๆก็คงได้กุศลได้ตัวที่บินหนีพ้นไปจากตาข่ายเท่านั้นแหละบัญชีกรรมเก่าที่บันทึกไว้ในกรรมปัจจุบันยังคงดิ้นรนหนีหนีอ่า ถึงป่านนี้ก็ยังสำนึกใคร่ครวรหาข้อบกพร่องตัวเองไม่เจอบางแห่งโดนจุดประทัดไล่ชวนให้หน่าอับอายแล้วก็น่าเสียดายเครื่องแบบชุดสีกะกีที่สวมใส่มาอย่างหรูหราวิจิตรพออจากทองก็คงจะประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ไปจนวกวกเกษียณอายุราชการหรืออาจจะไปเร็วหัวนั้นนี่ก็คือบาปกรรมนกคุ้มตามจิกเป็นเงาตามตัวสิ้นกรรมเวรเมื่อไหรพออก็คงนอนตาหลับเมื่อนั้น อุทาหรนสอนให้รู้ว่านกนอนหลับอยู่ดีๆฉายไฟส่องตาจับเอามาใส่ค้องมันดิ้นรนหาทางออกจนปีกแทบหักแต่ก็หาพนมือมนุษย์ที่จับไปฆ่าแกงกินเอาไปลาบกินไหมกรรมย่อมตอบสนองครับไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปล่ะครับ มาคุยกันถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านบุปพังคุณพ ก, กาเนี่ยมีบ้านหลังเล็กๆอยู่อาศัยในท้องที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเธอยังอยู่ในวัยสาวแต่ก็เป็นไม้ซะแล้วมีลูกแล้วคนหนึ่งเป็นลูกสา ว, ต, สา ว, ต, สาวตัวเล็กๆน่ารักเธอก็เลยกลายเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวสามีเธอเสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน ที่คนงานตายกันหลายศพเนี่ยเขาออกจากบ้านไปในบ่ายวันนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตมันไม่แน่นอนอะไรเลยเธอก็เศร้าเหงาเปล่าเปลี่ยวเธอบอกว่าคิดถึงเขามากคิดถึงชีวิตวันข้างหน้าด้วยแต่ยางไรเซียก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดก็ช่วงนี้แหละเธอนึกย้อนไปในอดีตว่าทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้เป็นอย่างนี้ ก็นึกได้ว่าครั้งหนึ่งเคยทํากรรมมาไว้กับนกกระจิบตัวเล็กๆตัวหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นแหละเธอพลาดคู่ของมันนกกระจิบตัวสีดําตัวเล็กๆทําเรื่องนั้นในตอนเด็กคือยังเด็กอยู่ไม่ได้นึกถึงบาปกรรมอะไรนะบาปบุญคุณโทษอะไรก็ไม่คิดก่อนที่จะทําลงไปทําไปก็เพราะเห็นมันแล้วชอบมันตัวมันเล็กน่ารักสีก็แปลกดีอยากจะจับอยากจะได้มาเลี้ยงก็รีบไปควา้าเอาหนังสติ๊กของพี่ชายมายิงมัน แล้วก็ยิงถูกซะด้วยก็ไม่เลิกไม่ฝันว่าจะแม่นมันคงจะบังเอิญมากกวา่าแต่เสียยังไงยังไซงซะก็โดนแล้วมันร่วงวินาทีนั้นมันไม่รู้ว่าดีใจหรือว่าเสียใจหรือว่าตกใจกันแน่ความรู้สึกแปลกมากๆวิ่งเข้าไปจับตัวมันแต่มันก็ตายแล้วตายหยกห ก, ยกับตัวยังอุ่นๆอยู่เลยยังเหลืออีกตัวหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็นคู่ของมันมันตกใจบินหนีไปส่งเสียงร้อง มันคงช็อกที่เกิดเหตุร้ายขึ้นกับคู่ของมันบินหนีไปแล้วมันก็ยังบินย้อนกลับมาอีกตอนที่ยิงมันนะเธอเห็นมันอยู่กับ อ, อยู่กันที่ต้นพลังข้างเรือนตอนนั้นอยู่บ้านต่างจังหวัดบ้านของพ่อแม่เป็นบ้านสวนต้นไม้เยอะมีต้นไม้อยู่รอบบ้านเลยมองไปทางไหนก็เขียวครึ้มไปหมดไอ้เจ้าตัวที่เหลือนี่มันยังบินกลับมาที่ต้นพลังนั้นบนเวียนไปมาอยู่หลายวัน มันคงจะมาหาคู่ของมันมาหาว่าไปอยู่เสซที่ไหนมันคงจะคิดถึงกันเพราะว่ามันเคยอยู่ด้วยกันเหมือนกับคนเราก็เหมือนกันเคยอยู่ด้วยกันอีกคนมาหายไปก็ต้องคิดถึงกันเธอก็นึกสงสารมันมากยิ่งคิดก็ยิ่งสงสารโทษไม่น่าเลยโง่แท้ๆเลยที่ทําไปอย่างนั้นความจริงแล้ววันนั้นนนกกระจิบดําที่ตายกลายเป็นสิ่งไร้ชีวิตนั้นเธอก็ไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขอะไรกับซากของมันเลย ก็แค่หยิบจับแล้วพอรู้ว่ามันไม่หายใจแล้วก็นึกกลัวแม่จะดุก็รีบหยิบมันโยนทิ้งไปตั้งแต่นั้นมาพากาก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นอีกเลยเธอก็เล่าให้เพื่อนฟังมาพอนึกถึงนกนั่นก็นึกถึงสามีที่ล่วงลับเขากับเธอเจอกันตอนที่เธอเข้าไปทำงานที่บริษัทนั้นที่เขาเข้าทำงานที่นั่นอยู่ก่อนแล้วทีแรกก็ไม่สนิทสนมกันเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาและเขาก็มักจะคุยอยู่กับเพื่อนร่วม ง, งานที่เป็นผู้ชาย อีกทั้งเพื่อนๆของเขาก็ล้อเขาว่าเขานคนไม่สนใจผู้หญิงชาตินี้คงจะอยู่ตัวคนเดียวไปจนตายแต่แล้วก็บังเอิญเจอกันในวันหนึ่งที่ปากซอยห้องเช่าเห็นเขาเข้าไปในซอยนั้นด้วยก็เลยได้รู้ว่าเขาก็อยู่ซอยนั้นด้วยเหมือนกันนี่เองก็ทําให้บางทีก็กลับบ้านพร้อมกันมันก็เลยทําให้คุยกันทีแรกก็ทักทายกันคำสองคาแต่มันบ่อยๆเข้าก็เลยพูดกันหลายคํามากขึ้นเสร็จแล้วก็เลยคุยกันเรื่อยมา แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใจให้กันในตอนไหนเหมือนกับว่ามันเป็นไปโดยอัตโนมัติรู้ตัวอีกทีเขาก็ถามว่าจะแต่งงานกับเขาไหมถามดือด้อๆเลยไม่มีพิธีรีตองอะไรทางนั้นน่ะก็ตกใจยอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรคุยกันรู้เรื่องและเขาก็น่าจะเป็นคนฝ่ายดีรักที่จะทําให้ตนเองมีอนาคตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้า หลังจากแต่งงานกันก็ช่วยกันซื้อบ้านช่วยกันผ่อนส่งไปเรื่อยๆพอดีว่าแม่ของเขาขายที่ดินได้เงินมาก็แบ่งให้ลูกทุกๆคนคนหนึ่งก็เท่าๆกันเขามีพี่น้องสามคนเขาได้เงินก้อนนั้นมาก็เอามาโปะบ้านทำให้ปลดหนี้ธนาคารไปได้ช่วงที่ซื้อบ้านนั้นราคามันยังไม่แพงนักก็อยู่กันสองคนโดยยังไม่มีลูกอยู่สองมปีเขากับเธอก็คุยกันว่าน่าจะมีลูกกันได้แล้วนะ บ้านก็ไม่ต้องพรนทรงแล้วขืนชักชาเดี๋ยวมีลูกยากแล้วก็จะแก่กันซะก่อนที่ลูกจะโตนั่นแหละต่อมาถึงได้มีลูกกันแต่ก็ไม่เคยนึกเลยพอลูกหัดพูดเท่านั้นสามีก็ต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับเธอเชื่อว่าเขาจากไปเพราะบาปกรรมที่เธอทําเอาไว้กับนกกระจิบตัวนั้นเองการทํำบาปกับสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นต้นเหตุทําให้ชีวิตคู่พลิกผันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ เธอรับแม่มาอยู่ด้วยช่วยเลี้ยงหลานส่วนเธอก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่บอกว่าจะไม่หาสามีใหม่จะไม่หาพ่อเลี้ยงให้ลูกเป็นนั้นขาดเพราะว่าได้รู้ได้เห็นได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่าพ่อเลี้ยงสามีใหม่ของแม่นี่ทำร้ายรังแกลูกเลี้ยงจนสะบักสะบอมหรือบางทีก็ถึงกับเสียชีวิตก็มีและลูกของเธอก็เป็นผู้หญิงเติบโตเป็นสาวก็ต้องอยู่ในบ้านกับพ่อเลี้ยง เธอไม่อยากจะนึกเลยว่าคนที่จะมาเป็นสามีใหม่นั้นเขาจะคิดยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะดีกับลูกของเธอเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ขาดผู้ชายไม่ได้พอเป็นแม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ชายมาชอบเธอก็มีอยู่หลายคนเธอก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ที่เพื่อนๆ เ, เห็นกับตาก็มีอยู่ถึงสามคนแต่เธอบอกว่าอยู่กับลูกก็มีความสุขดีแล้วมีลูกเป็นทั้งลูกเป็นทั้งเพื่อนด้วย และที่สำคัญลูกสาวหน้าตาเหมือนกับพ่อมากมองหน้าลูกก็เหมือนกับมองหน้าสามีนั่นเลยทีเดียวเธอเป็นผู้หญิงที่มีใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวมากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆอีกด้วยบ้านเดิมของเธออยู่ที่จังหวัดอุดร อ, อยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่ชายตอนเด็กๆ ก, ก็ออกจะซุกซนเหมือนกับเด็กผู้ชายตามพี่เข้าป่าพี่ชายไปยิงนกตกปลาก็ตามไปด้วย นอกจากนกกระจิบตัวนั้นแล้วเธอยังนึกขึ้นมาได้ภายหลังว่าเธอเคยทำให้นกอีกตัวหนึ่งตายเป็นนกปรารอดที่พี่ชายยิงมันร่วงลงมาแล้วมันไม่ตายมันหล่นลงมาถึงพื้นแล้วก็ยังกระพือปีกหนีพยายามหนีอีกจำเพราะว่ามันบินมาทางที่เธอยืนดูอยู่เสด้วยพี่ชายก็ร้องบอกให้เธอเอาไม้ในมือฟาดมันเลยฟาดมันเลยฟาดเจาฟาดมันเลยเขาร้องบอกอย่างนั้นเธอก็ฟาดมันด้วยไม้นั้น ผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ทําให้มันหยุดกับเพือปีกจนได้พอดีพี่ชายวิ่งมาถึงเขาก็ตะครุบมันเขาดูมันแล้วก็บอกว่ามันตายแล้วเธอเป็นคนทํามันตายนึกเสียใจที่ฆ่ามันก็ต้องบาปอะ่ะคิดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจนักก่อนที่จะแต่งงานเธอเคยโดนรถยนต์ชนหนหนึ่งขณะข้ามถนนที่หน้าบริษัทสลบเหมิดไปนานกว่าจะรู้สึกตัวก็ตอนเย็นซึ่งเหตุร้ายนะ่ะเกิดตั้งแต่เชา้า ช่วงนั้นสามียังเป็นแค่แฟนกันอยู่แต่เขาก็เป็นห่วงเธอมากนั่งเฝ้ารอาเมื่อไหร่เธอจะฟื้นพอฟื้นมาก็เห็นหน้าเขารู้สึกแปลกใจจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเขาเล่าให้ฟังถึงได้ค่อยค่ยนึกทบทวนไปก็จําได้ว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นดีที่ว่าเธอเจ็บไม่มากแต่ดูเหมือนสมองกระทบกระเทือนมากกว่าส่วนอื่นเพราะว่าล้มลงไปหัวฟาดถนนแต่ว่านับว่ายังโชคดีสมองอยังใช้ได้ เพียงแต่ว่ามักจะปวดในบางครั้งที่คิดอะไรไม่ออกก็จะปวดมากขึ้นถ้ายิ่งคิดจนต้องรีบหาทางผ่อนคลายมันเสียเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาเป็นโรคปวดหัวปวดหัวเรื่อยมามักจะเล่นงานเธออยู่เป็นช่วงช่วงนี่เธอก็คิดว่าเกิดจากกรรมเวรที่เธอได้ทำมาไว้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นกับนกปลอดตัวนั้นเธอเคยไปหาแม่ชีเพราะเธออยากจะหายจากโรคปวดหัวนั้น แม่ชีก็บอกว่ามันเกิดจากกรรมที่กระทำเอาไว้แล้วก็ยังถามเธอว่าเคยทํากรรมอะไรเอาไว้บ้างล่ะเธอก็นึกออกเรื่องทํานกปลอดตายก็เล่าให้แม่ชีฟังแม่ชีก็ว่านั่นแหละเหตุที่ทําให้ปวดหัวส่วนกรรมที่พลาดคู่นกกระจิบนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเธอเองก็ต้องไร้คู่เหมือนกันชีวิตคู่ของนกกระจิบพังทลายเพราะเธอชีวิตคู่ของเธอก็จึงต้องพังทลายเหมือนกับนกไปด้วย โรคปวดหัวยังคงอยู่คิดมากทีไรก็ปวดหัวทีนั้นเธอก็พยายามใส่บาตร ท, ทาบุญกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรทําเป็นประจําเรื่อยมาหลังจากที่คิดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการกระทําของตัวตั้งแต่เก่าก่อนตัวคุณพันนีที่เล่าเรื่องนี้ที่ว่าเป็นเพื่อนกับพ ก, กาเนี่ยต่อมาลาออกจากบริษัทแล้วเปลี่ยนงานใหม่มันเกี่ยวกับสามีของแกย้ายมาอยู่จังหวัดระยอง ก็เลยไม่เจอภ ก, กานานหลายปีเพราะไม่ได้ติดต่อกันทั้งที่ตอนย้ายมาใหม่ๆก็ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่แต่นานวันเข้าก็ค่อยค่อห่างหายไปโทรไปก็ไม่ใช่เบอร์นั้นแล้วก็เลยขาดการติดต่อกันไปโดยปริยายจนกระทั่งวันหนึ่งได้ข่าวจากเพื่อนคนหนึ่งที่บังเอิญเจอกันที่ระยองก็ได้เล่าเรื่องของภ ก, กาให้ฟังว่าเธอเปลี่ยนงานไปทํากับอีกบริษัทหนึง่งแต่ก็เจอเจอกันเป็นบางครั้งบางคราวเนื่องจากลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ก็มักจะเจอในช่วงประชุมผู้ปกครองเธอยังคงเลี้ยงลูกต่อไปไม่ได้มีสามีใหม่เธอก็ยังคงพูดเหมือนกับที่เคยบอกกับวันนี้ว่าอยู่กับลูกสบายที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดแล้วอ่าวันนี้ก็เลยขอเบอร์โทรจากเพื่อนเนี่ยพอได้มา ก, ก็โทรหาเธอก็ดีใจมากที่ติดต่อได้คุยกันอยู่นาน พระกาไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเลยยังเล่าว่ายังคงคิดถึงสา ม, มีอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างเศร้าเสียใจอะไรอาวร อ, อะไรแต่คิดอย่างมีความสุขเหมือนว่าเขาไม่ได้จากไปไหนเขายังอยู่ใกล้ๆเพราะว่าตัวอเขาอยู่ในตัวของลูกที่นับวันจะเติบโตขึ้นและหน้าตาก็เหมือนเขามากที่สุดอ่คุณวั น, นีก็ดีใจกับเธอด้วยแม่ของเธอแก่มากอยากจะไปอยู่กับพี่ชายบ้างแต่ก็ยัง มาหามาเยี่ยมมานอนค้างแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนหลานในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมส่วนลูกก็โตจนดูแลตัวเองได้ไปเรียนหนังสือเองไม่ต้องไปรับไปส่งแล้วนะวันนี้ก็ดีใจกับเธอด้วยเธอก็ยังย้ำเรื่องของเวรกรรมว่ามันมีจริงๆถ้าเธอไม่ไปบั่นทอนชีวิตเขาก่อนชีวิตคู่ของเธอก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกท่านบุฟังว่า จะลงมือทำอะไรนี่ขอให้คิดหน้าคิดหลังกันก่อนเพราะว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็เห็นเห็นกันในชาตินี้เลยล่ละครับ